หลังดาวัดจบก็ได้มนหลมปกกมมาไว้ให้หลวงกรมได้เทศสักหน่อยนะึงหลวงกรมนี่เคยบ้งแต่สมัยหลวงพูทเทียนแล้วก็ปาหลายโลกช่วงนี้ก็ไปไปบักท่านเดียว อายุก็80ิบกว่าคำพูดของท่านอาจามีประโยคไดใดประโยคหนึ่งที่กระตุ้นปลุกให้เรารู้สึกตัว ถามนกันก็ขอข้าพระเลว่าบาไปัตยหรือพระพุทธพระธรรมพระสงค์ขออิจรินขออนุมัติการ คุณครูบ า, านนอาจารย์แม่ปู่พ่อนของพ่อคำเขียนผู้เป็นบระธานก็บนครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านพระเทลารุเทละในตลอดทั้งพิชิตทุกทุกลูกเจริญพรเม่ชีอุบาสกอุบาสิกาผู้ไฟในธรรมทั้งหลายมันนี่อาจารย์ก็ให้ มาผมพูดธรรมะที่ไม่ได้พูดมานานแล้วก็เพราะว่าแก่แล้วก็อยากพลดเกษียณไม่อยากพูดอะไรหลวงหน้าหลวงหลังผิดพลาดประการใดก็อนุญาต ด, ด้วย <c oughs> ตั้ง อ, อกตั้งใจเรื่องชีวิตสติปัญญาของเรานี่เราเกิดมาเนี่ยไม่เคยได้มาศึกษาเลยมีศึกษาแต่เรื่องอื่น เลงหาอยู่หากินอ่าหวังว่าจะเอาความสุขในเมืองมัณฑนีน่ะให้ได้แต่ว่ามันทุกข์มาทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มาศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจมีแต่ความปวดความโลภความหลงอยากได้ตพืชตะพือไปไม่มีทีทินสุดไม่มีจุดหมายปลายทางก็พากันเป็นทุกข์อะไรก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยอยู่กับทุกข์กินกับทุกข์แต่นอนแม่ทุกข์อแต่นอนไ ม, ม, น, น, ไมน่นอนก็เป็นทุกข์ เพราะว่าเราไม่รู้จักว่าทุกันไม่เกิดขึ้นเรื่องอะไรเข้าใจว่าแต่อรรล้งพ่อเนี่ยลูกทุกเนี่ยนึกว่ามันเกิดไม่มีเงินมีไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีของเครื่องใช้ไม่สอยอะไรก็ไม่มีเป็นคนจนคนไม่มีเงินมีทองด้วยเขาเนื่องว่ามันทุกพอมาพืชปฏิบัติเนี่ยใขาไม่เข้าใจคำพูดคำสั่งตอนของพระพุทธเจ้า คือว่าเรานั้นมันอยู่ด้วยความหลงมีแต่ความโลภความโกรธความหลงไปแต่พืชตะเพื่อมีกายมันก็เป็นทุกข์มีใจมันก็เป็นทุกข์ไม่มีที่พึ่งมีที่อาศัยแล้วก็พอมาคิดไปคิดมาแล้วพอมาพอเห็นครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ฟังเราเป็นผู้เป็นทั้งหมดเลยเราไม่ได้เข้ามาดูชีวิตจิตใจไม่รู้จะแก้มันรู้จะไข พระพุทธเจ้า จ, จะท่านก็สอนแต่ว่าไม่เข้าใจอพอมาเข้าใจแล้วท่านสอนให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรให้รู้จักเกี่ยมหอมรอมริดรู้จักซื้อจักาหาผู้จักใช้จักสอยจักจ่ายอแล้วก็ไม่ให้เป็นเป็นคนขี้เกียจตีคันให้เป็นคนขยันหมั่นเพียร มีอะไรก็อย่าไปยึดมั่นถือมันมันเพราะเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของที่สลายไปเป็นธรรมดามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีของที่เที่ยงแท้แน่นอนเราทําอยู่มาไัยโลกนี่ก็ต้องทําต้องไปค้นข ย, ยันหมั่นเพียรแล้วนู่จากเก็บหอมมาบีบมาแต่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ให้มันเสียแล้วก็แล่ ว, ลวไปไม่ต้องไปกังวลในสิ่งที่มันเสียไป พอเราเกิดมาเนี่ยเกิดมามือเปล่ามาหายแล้วมันไม่มีทักอะไรหรอกที่เราเกิดมาใหม่พอมาเข้าใจแล้วแล้วก็รู้จักใช่รู้จักเก็บไ ว, ว้เดี๋ยวก็แต่มันเสียไปก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมันในสิ่งอะไรทั้งหมดเทําอะไรเหมือนกันเดี๋ยวก็เราทําไปให้มีความขยันมันเหนื่อยก็เป็นธรรมดา มันเจ็บมันปวดมันล่ามันหิวอะไรมันก็เป็นธรรมดาแล้วก็มันเป็นเรื่องธรรมดาเราแต่ว่าเราอดทนต่อมันอย่าไปตามมันกดอุนทนก่อนถ้าถึงไม่เวลาพาพักก็ต้องไม่ต้องพักไม่สมควรมาพักเหนื่อยก็ไม่ต้องหยุดพักนะมันเอถ้ามันพอเหนื่อยพอสมควรแล้วก็พามันหยุดพักไปให้เป็นธรรมดาธรรมดาไปไม่ให้อย่าให้ทุกพระพุทาท่านสอนมีอะไรก็หมดแล้วก็แล้วไป หาใหม่อย่าไปสิ่งที่เป็นอดีตแล้วมาก็ไม่ต้องเอามาพูดไม่ต้องมาชิดไม่ต้องมาคุยให้อยู่ในปัจจุบันขณะรักษาปัจจุบันถ้ามันดีมันยิ่งจะมันยิ่งจะดีนะถ้าปัจจุบันไม่ดีมันก็ไม่ดีน่ะเกิดมาเนี่ยเราเกิดมานี่ถ้าเราไม่รู้จักสิ่งนี้นั้นมันก็จะทําความเจียหายให้เราเพราะว่าโลกนี่มันเป็นโลกสมมุติสมมุตินี่ใช่ให้มันเป็นใช่ไม่เป็นก็ มีความเดือดร้อนถ้าใช่เป็นก็มีผลมีประโยชน์มีคุณแล่เรานั้นอ่ะมันไม่เป็นอ่ะมีแต่เป็นกับเขาไงหมดทําไม่เข้าใจอะไรเกิดมาก็ดีก็ดีไปกับมันถ้ามันชั่วก็ชั่วไปกับมันมันทุกข์ก็ทุกข์ไปกับมันมีดีใจก็ดีไปไปกับมันถ้ามันสิ่งในที่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่อยากให้มันหนีแหละอยากให้มันไม่อยากให้มันหมดอยากให้มันดีอยู่นั่นตลอดไปเนี่ย ถ้ามันไม่ดีขึ้นมาก็เกิดเสียใจไปกับมันเป็นผู้เป็นไปกับมันจะพืชนพื้นแต่พื้ไปถ้ามันไม่ดีก็เป็นทุกข์ไปกับมันไม่อยากให้มันมาเกิดไปถ้ามันมาเกิดก็อยากไปบังคับมันไว้ไม่อยากให้มันเกิดเธอชีวิติใจของเราเนี่ยมันทุกข์เกิดมาก็ไปตามอารมณ์ของมันหมดก็เลยเป็นผู้เป็นไปไม่รู้จักวิธีแก้ตัวเองไปเป็นอย่างนั้นตลอดไปเมื่อเกิดมาเนี่ยเราจะอยู่เป็นสมบัติของเราทั้งหมดเลยที่เรามาทําอยู่แล้วเนี่ย ไม่ใช่เป็นของคนอื่นไม่มีใครมาทําให้เราทําเองทุกเราก็เกิดขึ้นมาเราก็ทําเองทูกเกิดขึ้นมาเราก็ทําเองไม่มีใครจะมาทําให้เราจะไปเอาจิตใจไปไว้กับถึงนั้นเอาไว้กับถึงนี้แปลความมองไว้กับถึงนั้นถึงนี้มันไม่ใช่แล้วไปปรารถนาอ้อนวอนเนี่ยไม่ให้ไปอ้ อ, อนวอนไม่ให้วงสวง่งมีแต่การกระทําของเราอยากทําดีอยากได้ดีก็ต้องทําดี อถ้าทําชั่วก็มันก็ชั่วไปเรื่อยเพทุกเลยเรื่อยไปเจก็เปลี่ยนนั่นแหละมันก็เป็นไปตั้งแต่เราเป็นคนนี้เนี่ยเราทําขึ้นอะไรก็เป็นสรรมบัติของเราที่จะไปคลองหมดทั้งหมดเลยไม่วัดอดีตต่ อ, อต่อไปเอินนักขไปต่อตไปมันก็จะเพลินเพื่อนไปยนตตายถ้าเราไม่มาดูจักแก่ตัวเองเน่ะเมื่อก็สับสนวุวน่นวายน่ยเกิดเกิดมาเนี่ยไม่รู้จักหยีกับหยีกันแล้วพวกเวียนวายตายเกิดอยู่นี่แหละวนไปวนมาอยู่เนี่ยจะไปไหนก็ไปๆๆไม่ได้ โลกเขเนี่ยทําอะไรก็ห่วงไปหมดเลยมีอะไรแล้วก็มัวก็ไปยึดมันม่นถือมั่นไม่ปล่อยไม่วางมันมันก็เลยเป็นทุกข์อยูง่งไงจนตายตายแล้วก็เกิดอะไรจริง ท, ที่มันเราสร้างไว้เนี่ยเป็นภพเป็นชาตินึ่คือขวบขึ้นจะขึ้นมันเป็นเกิดขึ้นมาจากความคิดเราอคิดนี่แหละมันพาเปยนแปกลางคืนนอนฝันกัางวันนะั่คิดทั้งกลางวันทั้งคืน มันไม่ละไม่ปวดไม่ปล่อยไม่วางมันก็เลยไปจมอยู่ในกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรามาที่เนี่ยคือจะมาเปลี่ยนความเป็นสัตว์เพราะคนเราเนี่ยหน้าตาเป็นคนแต่เป็นเป็นสัตว์อะไรก็เป็นได้หมดเลยมันรักนั้นรักอันนี้ทางรังเกียจนั้นรังเกียจนี้เบื่อหน่ายอะไรสิ่งนั้นทีนี้ตาละพัดยังยังไม่เกิดขึ้นมาเราไม่รู้จากปวดจากปล่อยจากรละจากวางเราก็เป็นไปฝังวิญญาณกิจใจเราอยู่นั่นตลอดไปก็จะได้ไปคลองอันนั้นแหละนั่นแหะ มาเกิดมาสร้างเราเองไม่ใครคนอื่นสร้างให้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาทีเนี่ยเราจะรู้จักมาเปลี่ยนความเป็นตัดนั่นน่ะให้มันเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมแล้วก็ได้เข้าไปหาพระานที่เรามาเนี่ยบุญนั่นเนี่ยบุญไปเป็นที่เรามาทาอยู่เนี่ยแต่อยู่ในโลกิยาเนี่ยแม่นิถึงมีเงินมีทองมีข้อมีความมีเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไปถึงนิพพานถ้าเราไม่รู้จัก ชีวิตจิตใจของเรามีแต่ความโลภความหลงเนี่ยวุมงายอยู่ในดินถึงเนี่ยเพลิดเพลินไปกับมันจนหลงเนี่ยหลงตัวลืมตัวลืมตัวห ล, ลงกายลืมใจไปตลอดจนถึงมันตายมันมาวนเวียนอยู่ที่นี่ไม่ได้เกิดไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่เราจะเข้ามาศึกษาดังชีวิตจิตใจของเราเมื่อเรามันเกิดขึ้นมาอะไรเกิดเกิดขึ้นมาเนี่ยให้เราเห็นเห็นอาการเห็นวัตถุหรืออาการที่มันเกิดขึ้นมา สิ่งที่มันเกิดขึ้นมานี่ยเกิดขึ้นมากับการกับใจของเรามีกายมันเกิดขึ้นทำไมเราเห็นมีใจมันก็เกิดขึ้นมาเราเห็นทุกอย่างที่ทั้งถูกทั้งผุดมันเกิดขึ้นมาเราเห็นหมดเห็นแล้วเราเข้าไปเห็นกับมันถ้าเราจากักเพืจักมาฝึกมหาเญาณโมจะว่าอันนี้มันมีโทษอันนี้มันมีคุณมันมีประโยชน์เราก็เห็นมันเห็นแล้ก็เรียกเราก็เรียกเอาวันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมานี่ยเราไปห้ามมันไม่ได้ ไปบังคับมันไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยให้เรามีสติมาเจริญติเนี่ยไปที่ไหนที่ไหนนะอย่าลืมตัวรู้สึกเนี่ยตัวสําคัญมากที่สุดเลยไปที่ไหนก็ให้อยู่กับตัวรู้สึกจะก้าวไปที่ไหนก็รู้จักเดินนี่ก็อย้จกเดินเฉยยกมือนี่ก็รู้จักเล่นยกมือเนี่ยทั้งว่าพูดกันทั้งคุยกันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกให้ดูตัวเองยกมือก็รู้จักพิกขึ้นก็รู้จักเอาลงรู้จัก แต่อย่าไปจ้องอย่าไปเพ่งมันให้รู้จักเฉยๆให้มีสติพันธ์จะลุกก็รู้จักจะเดินก็รู้จักพยายามเอเครื่องที่เรียกๆน้อยๆมันจะไปเคลื่อนไหวไปมาน่ะให้ดูกายใจน่ะมันให้มันอยู่ด้วยกันมันเกิดไปที่ไหนไปที่ไหนนั่นน่ะเราเป็นคนดูอเฉยมันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยมันหิวมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตตาลพัดต้องทนไปคิดไป กันเรื่องของชีวิตจิตใจของเราอันนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาเราก็เป็นคนดูเฉยๆมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เราก็มีแต่รู้เราก็มาเปลี่ยนเป็นให้มันรู้เท่านั้นะสิ่งที่มันหลงไปนั่นแหะคือออกจากความคิดไปออกจากความคิดเราไปแล้วมันเป็นความคิดแล้วพอเรามายกมือขึ้นรู้ถึงมื่เข้ามาแล้วเขามาหาเราแต่ว่าถ้าเราทําทําให้มันใหญ่ ม, มันนั่นแนะ่ะเป็นเปาะเป็นเปาะเป็นเปราะไปอย่างที่ท่านหลวงพอ่อท่านสอนไว้นะั่นแหะ ก้าวไปก้าวหนึ่งพอเหยียบดินปั๊บรู้เลยรู้รู้รู้เดินอยคนมอ่ะพอเ่าถุงพื้นตกรู้รู้รู้กับใต้กับขวัวรู้รู้แล้วก็มันใหญ่ก็เดินไปนั่งที่เราสร้างจังหวะเคลื่อนไหวนั่นก็ให้รู้จักพอมันใหญ่จะเดินไปหยุด จะเดินไปพอพอเนี่ยแล้วเราก็ลุกขึ้นลุกขึ้นไปเดินต่ออีกเราก็ให้รู้จักให้มันติดต่อกันเป็นลูกโซ่ไปไปเนี่ยก็ทำทำไปมันลงแล้วก็กําหนดใหม่มันลงแล้วก็กําหนดไว้ใหม่มันจะเป็นอยู่งั่นต่อไปถ้าเราเข้าใจอยู่กับตัวรู้สึกเนี่ยมันจะมีความสุขจิตใจของเรามันไม่หนีไปไหนหรอกตัวบุญอยู่ที่ไหนมันรวมอยู่ที่ตัวนี้หมดเลยตัวบุญตัวบาป มันเกิด้านรู้จักมันจะเดินหน้าถอยหลังเราก็รู้จักมันจะเป็นอะไรก็รู้จักพอมันออกไปเนี่ยมีสติรู้เราก็มายกมือขึ้นแล้วก็เห็นแล้วก็แล้วไปไม่มีอะไรเสื่อมแท้แน่นอนมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเขาทํางานของเขามีตามันก็ทํางานของมันมีหูมัน ท, านทนนาํางานของมันที่จมูกฟีลิ่นมีกายมีใจมีรูปเสียงกลิ่นรสเปิดปิดทำมัน มันก็เห็นตามเรื่องของมันเนี่ยมันก็เป็นเห็นตามธรรมดานี่ยก็เห็นมิเหไม่ให้ปลูกให้แต่งเกมันเป็นอะไรก็เกิดมาเราเห็นเราจะไปยึดมั่นถือมั่นใจเกิดมันเป็นรูปเวทนาปัญญาตังขานวินยางเกิดขึ้นมาเนี่ยให้เราเห็นให้มันรู้เท่าทันมันอาการของมันอะรูปก็คือความเห็นนั่นแหละคือความไปเห็นเนี่ยตาของเราเห็นอยูนี่ถ้าต่อจิตใจของเราก็ไปเห็นความคิดเห็นอะไรนี่ยมันเป็นรูปเป็นนามมารูปมันจะเป็นยังไง รูปนามนามมารูปรูปธรรมนามธรรมก็กายของเราเนี่ยของเรานี่เนี่ยเคลือ่อนไหอยู่เนี่ยรูปธรรมอ่ะทํางานทําการเนี่ยไปประยุกต์กับการของงานของเรานี่ก็มาเกาะไอ้ตัวนี้แหละไปไประยุกต์กับการกลางวันเรานี่แหละรูปธรรมนามธรรมก็คือตัวรูปดีแหละรูปธรรมอะไรก็รูปจับอะไรรูปใบและก็รูปจับเท้าไปทิ่งอะไรก็รูออรรปลูบ ไ, ไปเนี่ยรูปธรรมนามธรรมรูปโรคนามโรคมันก็กายมันเป็นโรคเป็นไงมันเจ็บมันป่วยมัน เมื่อยมันล่ามันหิวมันเก็บหัวปวดท้องอะไรสุดแล้วแต่มันส่วนจิตใจมันก็มีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องรักเรื่องชังเรื่องสารมาสธาติคิดจนกินไม่ได้จนนอนไม่หลับจนกลายเป็นโรคประสาทนั่นมันเป็นโรคนั่นแหละโรคทางใจในรูปโรคนามโรคแล้วก็รูปจักรูปสมมุติตามสมมุติเกิดขึ้นมาใช่ท่านนี่แหละมันสม ม, มุติถึงขั้นหมดเลย เราก็รู้จักทุกขังอันนี้จังนาตาทุกขังคือความเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจของเรามันเกิดด้วยกันทุกขังมันหนีไม่ได้มันอดทนไม่ได้อันนี้จังคือความไม่เที่ยงอนนาตาคือความไม่มีตัว ม, มีตนไปบงังคับบัญชามันก็ไม่ได้ไม่ก็เห็นมันอยู่กับเราทุกๆคนเนี่ยอาการทุกอย่างมันมีวยอะไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นอาการเกิดขึ้นเฉย แล้วก็เราก็จะไปยืนมั่นถือมันมันเป็นเรื่องธรรมดาเอรูปให้เป็นรูปเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วก็รูปรูปรูปสมมุติสมมุตินี่ก็ให้รู้จักสมมุตินี่ก็ให้รู้จักทุกอย่างเราเกิดมาอยู่ในโลกสมมติเนี่ยสิ่งที่ไม่มีสมมุติน่ะไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระองปู่ท่านตอนมาว่าให้รู้อันนี้แล้วก็ให้รู้สมมุติรู้เนี่ยจมจุดจมติ้นแล้วก็ให้รู้จักศาสนาให้รู้จักพุทธศาสนาอีก ศานาต่างหากพุทธศาสนาต่างหากพุทธศาสนาเนี่คือมาดูชีวิตหิตใจของเราศาสนาในความคือคําสั้งสอนของท่านพุลูรู้อะไรก็เอามาถอนกันเรื่องผีเรื่องสางเรื่องเทวดาเรื่องอินเรื่องพรมอะไรก็เอามาสมมุติกันเรื่องมาเกิดขึ้นมาอย่าให้รู้จักไปเป็นวักเป็นตอนไปก็รู้จกันกนโลกรู้จักสวรรค์ เนี่ยด้จักบาปู้จากบุญู้จักคุณรู้จั ก, จกโทอยู่ในโลกเราเนี่ยแล้วก็ไปจบอารมณ์รูปนามแล้วก็ขึ้นไปหาปรมัตา์ดูกายเวทนาจิตธรรมของเราอันนั้นเนี่ยที่เรามาดูความคิดมือทุกวันเนี่ยให้รู้จักอาการสิ่งที่มาเกิดเอชิดไปเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นความฝันหรือว่าเป็นความคิดอย่างนี้มันก็อันเดียวกัน เห็นแล้วก็ให้เราดูมันมันอาการเจ็บอาการปวดนี่ก็เป็นอาการเฉยๆอาการรักนั่นก็เป็นอาการชังเป็นอย่างนั้นั่นอย่างใดนี่มันก็เป็นอาการไปยืนมั่นถือมั่นไปก็มันก็เป็นวางไม่ได้แล้วนะไปผิดแล้วนั่นนะให้เราดูดูไประการบรณฑพาธมานี่คือมาดูชีวิตจิตใจของเราดูทิศว่าดูอาการของเราที่มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็น เหนเราหัรู้รู้แล้วก็ปลดปล่อยวางไปเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีตัวไม่มีตนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นของมันเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสังขารเป็นวิญญาณอะไรมาเกิดขึ้นมาอย่าไปยึดมั่นถือมันมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปยึดเป็นตัวเป็นตนเกิดมาเกิดขึ้นปล่อยวางไปให้หมดโลกนี้ไม่มีไอเดียที่จะเที่ยงธรรมต่างอย่างเดียวมีแต่ความสลายไป นี่เนี่ยให้เราพยายามทำแล้วก็ไม่มีอะไรที่จริง ท, ท, ที่จะเอาไม่มีตัวไม่มีตนที่จะแบกขามไปที่มาเรามาตื้นเป็นบัดเนี่ยมีแต่วางปลดปล่อยไว้ไว้ให้จากเท่าทันเหตุการณ์ถึงที่มันเกิดเท่านั้นแหละหลวงพ่อไม่มีเอจอมีแสงพูดไปตามประสาชาวบ้านสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้เห็นก็พูดไปตามอาการ อารมณ์ของตัวเองไม่ได้ไปเอาตำลับตราที่ไหนมาพูดอย่างนี้ถ้ามันผิดพลาดประการใดล้วก็ไม่ขออนุญาตด้วยไม่มีอะไรไจะพูดมากพูดแต่เพียงเท่า น, นี้ก็เป็นพอแล้วขอยุติแต่เพียงเ ท, ท่า น, นี้ขอท่านทุกคนจงประพฤติปฏิบัติเอให้เห็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือความสว่างความสะอ า, ค า, า, คา ด, ดความสงบความสดไสความง่วงวัยจงมีเจตทานทุกท่านทุกคนเถิด ก็คิดไม่ผิดที่แรกจ่าวาจานิมนต์อาจารย์น้อชัยเทศปฏิหารด้วหลวงพร ะ, ระกรมมาใสใสเร า, รเาก็ไปเทวนาญกันเลยนิมอนต์ออกเทจริงๆประเทศแล้วเราก็ได้ฟังคำพูดของท่านหนึ่งที่ได้ยินมาสักโลน่ะมาเป็นคำพูดคำสอนแนวหลวงปู่เทียน ที่ท่านวางอารมณ์เอาไว้อย่างนี้แหละเริ่มต้นจะรู้รูป ร, รู้นามก่อนพอเราโยกม้โยกมือเื่อนไม้เื่อนมือปฏิบัติเดินโยงกลมดูที่ร่างกายของเราเราต้องเห็นอาการของกายก็เรียกว่าความรู้สึกตัวที่ฐานกายนะั่นแหละอันนี้จะไปลมรูปนามรูปนามมันมันไม่ใช่ใกายไม่ใช่ใจนะมันเป็นอารมณ์รูปนามรูปธรรมนามธรรมนะ แล้มันก็จะโยงหาตัวในตัวเราไปหานอกตัวเราจากโลกที่คือสังขารร่างกายของเราธาตุสี่เป็นโลกคือแผ่นดินโลกสมมุติใบเนี้ยก็สมมุติอะไรไว้บ้างเป็นขอบเขตประเทศหน้าที่การงานอาชีพต่างๆก็ดูการเรียกวิทยาการทั้งหมดนั่นในโลกใบนี้มัจะเป็นลนักษณะของรูปธรรมนามธรรมเัลษณะของ เห็นแล้วต้องทําอำมาที่นี่เห็นอะไรแล้วต้องทํมาเมื่อมาปฏิบัติเห็นว่าที่นี่เขาปฏิบัติแบบแนวหลวงพ่อเทียนแนวเคลื่นอนไหวก็ต้องทำํำโดยเรามีของเก่ามาก่อนเข้าวัดชอบนังดูลมหายใจชอบดูจิตนเจอบพุโทโเจอบสัมมาหลังชอบเนอเจอบอะไรเราก็รู้กาละเทซาเนี่ยก็เรียกว่ารู้ทำรู้ รูปธรรมเรายกมือนะรูปธรรมนี่ตักซ้อนจําลองนามธรรมเวลาคิดมันคิดยังไงคิดอยู่ในกลุ่มในชุมชนมีศีลแปดแล้วอะไรเงี้ยระบบความคิดคิดแล้วพูดคิดแล้วทํานามธรรมถ้ามันได้จังใจคิดเนี่ยอันนี้นามมันทําไม่ดีมันมีสติมันขาดสติมันก็ไปตามระบบของมันรู้สมมติรูปปาาร้ปรมาณมรู้ปรมตณมหมายถึงว่ามันออกจากความคิดแล้ว มันไม่ได้ใช้ความคิดเลยหรอมันเห็นเฉยจมันได้ยินเฉยจแล้วมันรู้เป็นปัญญาภาวนามันไม่้จินตาวิญญาณมันไม่ไสุดตา่างวิญญาณมันไม่จําไกลมาท่าเลยบอกท่านพูดจากประสบการณ์ตรงของท่า น, นเลยจำใครมาอารมณ์หลงปู่เทียนใหม่ๆไปบัดก็เห็นการเคลื่อนการไว้ไปมันจะนั่งเดินจะยืนจะนอนอะไรเรามาฝึกมหัธิกันตรงนี้แหลนะนี่ เราห ล, ง ล, งลงวงพ่อเทียนเนี่ยอันดับแรกเลยไปรู้รูปธรรมนามธรรมแต่เห็นกายมันจะเป็นดุดๆุดฟ้อนฟ้อนเฉยๆกายมันคับแคบเกินไปแค่ตัวเราจะไปเห็นเป็นรูปธรรมมันกระจายมันขยายไปพัวนอกไปเลยเป็นสรรพสัตว์สรรสิ่งไปเลยนอันนี้จะอยู่ตรงไหนก็ได้นินท่าเฉินเฉินนี้ลาบเสื่อมราบมียก็จมยดึดมีสุขมีทุกข์ก็เลยอเอาไปยึดอะไรท่านก็ได้บอกเราก็เออ บางทีมก็ได้มาบางทีก็หมดไปบางทีมก็หายไปแล้วก็ไม่ต้องไปกินอะไรมากประชีนําเราพระชีดบาง ท, ทีคนที่รักก็ตายไปพัดพลาดไปจากไปมีทรัพย์ก็หายไปอะไรประเภทนี้มันปฏิเสธไม่ได้มันก็จึงเป็นเรื่องที่เราใล้ๆกันว่าได้ยินแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาใส่ตนคำพูดของท่านท่านพูดที่ท่านแต่ว่าเราก็มาดูเรา เราจะเห็นจริงตามนั้นการเคลื่อนการไหวเรามีอยู่นั่งเดิ น, นยืนนอนเรามีจริ ง, รงการจัดการปวดเมื่อยหรือว่าคิดมากเรามีจริงจริงเราก็มีสติตุกกล้งที่กระทบสัมผัสกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่ธานกาเดินแต่ปับ๊บรู้ปบแต่ปั๊บรู้ปุ๊บเนะ่ยเป็นลูกโซ่ทางการเน้นตรงนี้นะให้รู้เป็นลูกโซ่รู้เป็นเปาะเป็นเปาะเป็นปลา ะ, น, ะ, น, ะนี่คือเทคนิคปฏิบัติแนวหลวงปู่เตียนไม่ใช่รู้แบบนี้นะ รู้อันนี้จะเป็นสมถานทันทีสมถานกรรมฐา น, ฐานให้รู้สัมผัสปั๊บแล้วปล่อยสัมผัสปั๊บแล้วปล่อยแล้วก็รู้ฝึกรู้และฝึกละการรู้กับฝึกรู้เจตนาเลยละก็ฝึกละเจตนาเลยจนกระทั่งไม่ต้องเจตนาพอเราฝึกจนจานานมีประสบการณ์ตรงก็จะรู้เองว่าตรงไหนคืออาการที่เป็นสมถารู้ที่ปัสสา ก็จะเป็นอาการณภาษาพูดนึงก็เป็นไปแค่ภาษาพูดคำเปรียบเทียบต่างๆเป็นการเ ก, เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียนมองนะี่นก็คือพระไตรลักษณ์ลักษณะ3มอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นธรรมที่อยู่กับโลกใบนี้เช่นเราหันไม่เห็นทุกข์ที่มันเกิดกับกายของเราดุนก้อนการขยับขยันเคลื่อนไหวนี่ทุกข์ทั้งหมดชิตตาหายใจก็แก่ทุกข์ทั้งหมดเดือน้ำไปปัสสาวะหรือว่ารับประทานอาหารไปอุจจาระ จะนอนมันเป็นการแก้ทุกข์ทั้งหมดพอเปรียบซ้ายเปรียบขวาหารซ้ายหันขวาโยงกัดปัดยุงอะไรพวกนี้เป็นการแก้ทุกข์สภาวะทุกข์เขาแสดงออกมาเราก็ได้เห็นว่าเออมันมีจริงๆเป็นสัจจะความจริงจริงๆจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะของอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันข้ามช่ไม่ได้นะก็คือมันดับไปของมันเอง มันเกิดมาเกิดก็มันเองจนเรียกว่าอาการนะมันก็ไม่ใช่อะไรทั้งหมดนะเป็นอาการของจิตแล้วมองบอกว่าความโลภความโกรธความหลงความรักวความช่างโทสาโมห oh ะบุญบาปแล้วไม่ต้องพูดหลงสติสินะแม้ที่ปัญญามันเป็นแค่อาการ่เราก็เลยเรียกว่าเดินทางไปที่ทางเดียวร่วมกันจดหมายปลายทางคือรู้สึกตัวเลยแหละเหตุมันก็จะเป็นผลต่อไป เบื้องต้นทำกลางที่สุดก็เป็นพัฒนาการของแต่ละท่านที่ตั้งใจใส่ใจที่จะศึกษาบทเรียนแต่ละบทแต่ละบทหรือว่าลักษณะของอาการแต่ละการแต่ละการมันก็เพียงแค่รู้มันก็ผ่านพันทีเพราะนั้นลนักษณะของการเห็นการเคลื่อนการไหว น, นี่คืออาการทุกข์ทั้งหมดเคลื่อนไหวของจิตก็ทุกข์ของจิตถ้าคไปยึดนะ เคลื่อนไหวของกายมันคืออาการทุกข์ของกายถ้าเขาไปยุดนะเลราฝึกรู้แล้วฝึกล้าเราเลยเห็นแล้วอ๋อหยิบ ม, มาใช้ได้จริงๆมันเป็นความรู้ที่เกิดจากสกติปัญญาจริงๆแล้วก็เป็นสกติปัฏฐานเราจะติสัญชาตญาณเพื่พึ่งได้เลยมาฝึกคัดให้เพึ่งได้แล้วก็พอใช้กันต่อไปเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะก ล, ลับมาร่วมกันประสงค์ก็จะไปบิณฑบาตญาโจมก็จะอยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งเพื่อจะปฏิบัติกัน ในวันที่2ของภาคการปฏิบัติหรือว่าวันที่สของหนดการที่อยู่ในวัดก็อยากย้ายกันทำภารกิจของตนของต น, ต, นต่อไปะอะไรเห็นน่าสมควรกันแลเรากลาบภาพพร้อมกัน